เอาเอาลไรนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวก่อนที่จะทำพิธีส่งน้ำให้พระหรือว่าส่งน้ำพระพุพะพทธเจ้าตลอดถึงได้มีการลดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ก็คือว่าทั้งโยมพ่อโยมแม่ ก็ฝากให้เราได้คิดกันให้ถูกเมื่อสักครู่คณะครูอาจารย์ตลรอถึงผู้ที่ร่วมงานเนี่ยมาขอสีนมาขอศีลที่จริงการขอสีนเนี่ยพระน่ให้สีนไม่ได้ให้สังเกตดูไหมพระจะบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ พระบอกสี่ขาบทก็แปลว่าบอกข้อปฏิบัติบอกว่าศีลเนี่ยเป็นเจตนาที่คณะครูและตลอดถึงญาติโยมที่มาในวันนี้เนี่ยต้องไปตั้งเจตนาแล้วก็งดเว้นเองว่าในข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจากงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์จากไม่ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงและจะไม่คิดโกรธ ที่เป็นเหตุเหงการที่จะล่วงละเมิดสิขาบทข้อแรกข้อที่สองท่านก็ตั้งเจตนากันเองว่าข้าพเจ้าจาักงดเว้นจากการที่จะลักขโมยหรือคิดที่จะเอาทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองด้วยการแหงขโมยและยังปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายนั้นมีความสุขกับการได้อยู่กับทรัพย์สมบัติของตนตลอดกาลและตลอดไปด้วยข้อที่สาม เจตนาตั้งใจงดเว้นบอกคู่ของใครก็จงเป็นของคนนั้นจักไม่คิดภาคคู่ครองของเขามาเป็นของตน <Okay. S 1> ข้อที่สี่ก็คือเจตนาที่จะงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นตน้นข้อที่หก็คือจักไม่นําสิ่งมึนเมามาเข้าสู่กระแสชีวิตของตนเองพอสรุปตอนท้ายพระก็บอกว่าอีมานิปัญจสิกขาประธานิสีเลนสุขติงญันติก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากยมปฏิบัติ เอาศีลไปเป็นเนื้อเป็นตัวของโยมได้จริงๆแล้วเนี่ยโยมจะได้อานิสงค์คือจะมีสุขติเป็นไปในภพหน้าแล้วก็บอกว่าโยมก็จะได้โพคาสมบัติก็หมายความว่าคนที่เดือดร้อนกันทุกวันเนี่ยก็เพราะกรรมที่ทำไว้ก็คือไม่มีศีลนี่แหละจึงเดือดร้อนเรื่องโภคทรัพย์และศีลนี่แหละเมื่อรักษาถูกต้องดีงามแล้วจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการได้พันิพานด้วย พระก็เลยบอกว่าสีเลนนี่นี่ผู้ติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย่พวกเราก็บอกว่าอามะพันเตหรือว่าสาธุนั่นแหละก็แปลว่าขอรับหรือว่าดีแล้วข้าพเจ้าจะจําตรงนี้ไว้เอาไปพูดปฏิบัติเอาตัวกุศลศีลให้เป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาให้เป็นศีลจริงๆก็แปลว่าพระไม่ได้ให้ศีลแต่พระบอกข้อปฏิบัติโยมก็เอาข้อปฏิบัติไปทํานี่ก็ให้เข้าใจตามนั้นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศีลมันจะโดดจากตัวพระเข้าไปสู่ตัวโยมไม่ได้ ยุพระบอกข้อปฏิบัติยยมต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นเองอันนี้ก็เข้าใจกันนะในฐานะเป็นครูอาจารย์ของโรงเรียนบรรจงรัฐทีนี้ขั้นตอนที่จะบอกก่อนตอนนี้ก็คือการส่งน้ำพระการถวายน้ำพระพุทธเจ้าถวายน้ำสงเดียรพุทธเจ้าพระพุทธรูปนี่เป็นพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นพระรูปที่นายช่างที่ชาญฉลาดพยายาม บรญจองนะบัญจิตในการที่จะทําให้เหมือนพระพุทธเจ้ามากที่สุดแต่การที่เราเนี่ยมาขอมาถวายน้ําพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยนะก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเราเนี่ยเคยมีความคิดและการกระทําตลอดถึงคําพูดเคยกระทําไม่ดีต่อพระรัตนตรยัยแน่นอนสังเกตดูสภาพจิตใจเราเถอะ ทำไมเราจึงเข้าถึงพระราตนตรัยไม่ค่อยได้ทำไมสภาพจิตใจเราจึงไม่อ่อนโยนต่อพระราตนตรัยนั่นแหละเพราะเราเคยประพฤติหรือปฏิบัติในการที่ไปดูหมิ่นพระราตนตรัยหรือกระทาไม่ดีต่อพระราตนตรัยเอาละในเทศกาลสงการที่ปีใหม่ไทยเราเนี่ยชาวพุทธก็เลยมีประเพณีว่าเอาละเราเนี่ยต้องเคยล่วงละเมิดต่อพระราตนตรัยซึ่งเป็นกรรมที่หนักมาก จึงเป็นเหตุให้กระแสะชีวิตของเราเนี่ยล้มลุกคุกขานตลอดถึงประสบความไม่ดีอยู่ตลอดเวลามักจะเจอสิ่งใดๆมาขัดขวางกระแสะชีวิตเวลาจะทำความดีใดๆขึ้นมาหรือว่าจะได้ดิบได้ดีใดๆขึ้นมาก็มักจะมีสิ่งไม่ดีมาตัดตรอนอยู่ตลอดเวลาสงสัยกรรมหนักแน่นอนเราคงต้องเคยทำร่วงเกินพระรัตนตรัยแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงในสังสารวันี่เคยแน่นอนก็เลยถือโอกาสว่าวันนี้ เรามีพระรตนาไตรครบคือหนึ่งมีพระพุทธเจ้าสองมีพระธรรมกล่าวคือคําสอนของพระบรมศ า, ศาสดาคือสัจจะสี่คือความจรงิงอันประเสริฐคือธรรมรัตนะสก็มีสังฆ ร, ร, รัตนาะนี่ส ม, มุติสง์มานั่งเป็นองค์แทนเป็นสักขีปยานนี่เป็นสังฆทูตคําว่าสังฆทูตก็คือเป็นตัวแทนของสงสงทั้งจั ก, กรวาลเนี่ยตอนนี้เราได้ตัวแทนมาแล้ว ฉะนั้นเวลาน้อมที่จะขอขมาพระตราณาตรัยเนี่ยขอขมาพระราณาตรัยทั้งหมดแต่เราได้ตัวแทนเหมือนเอกอัคราชทูตของอเมริกาประจําประเทศไทยถ้าเราปฏิบัติไม่ดีต่อทูตก็เชื่อว่าปฏิบัติไม่ดีต่อประชากรทั้งประเทศของเขาถ้าปฏิบัติดีต่อทูตก็เชื่อว่าปฏิบัติดีต่อประชากรทั้งประเทศนี้ สงที่เป็นสมุติสงมานั่งอยู่ตรงนี้เราก็เลยเอาโอกาสนี้แหละเราจะขอขมาอดโทษต่อพระรัตนตรยัยทีนี้การขอขมาถวพ ร, รัตนตรัยนั้นกายกรรมวจีกรรมก่าวคือมนโนกรรมจิตที่เราคิดเนี่ยก็ต้องนอบน้อมในการที่จะขอขมาจริงๆไม่ใช่ทำแค่ประเพณีจิตใจนั้นก็ต้องมีความตั้งมั่น มีความลึกซึ้งมีความนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยในกรณีที่เราจะขอขมาและอดโทษจริงๆเราจะใช้น้ำนี่แหละแทนน้ำใจของเราที่จะตั้งในการที่จะถวายน้ำขอขมาต่อพระรัตนตรยัยกรรมอันใดที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลละกรรมที่เคยทำต่อพระรัตนตรยัยขอกรรมเหล่านั้นที่มันเป็นกรรมหนัก จงอย่ามาเบียดเบียนกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกเลยหรือข้าพเจ้าตั้งใจใหม่อีกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจาักนอบน้อมพระรัตนตรยัยจักอ่อนโยนต่อพระรัตนตรยัยอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่า น, นี่คือการขอขมาพระรัตนตรยัยนี้พูดในระยะสั้นๆประการต่อมาขอขมาผู้ใหญ่ก็คือว่าในที่นี้เราก็เอาโยมพ่อโยมแม่ซึ่งเป็นกอด ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบรรจงรัฐเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่เราในฐานะที่เป็นคณะครูก็เราลองคิดดูเถอะว่าจริงๆเราเคยล่วงเกินทางใจอาจจะมีความคิดไม่ดีต่อต่อผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนหรือผู้ก่อตั้งโรงเรียนหรือผู้หลักผู้ใหญ่แต่เราก็เอาท่านผู้นี้แหละ เป็นตัวแทนเพราะเราถือว่ากายกรรมที่กระทำไม่ดีต่อกันวจีกรรมคำพูดที่ทำไม่ดีพูดไม่ดีต่อกันความคิดที่คิดเบียดเบียนคิดปัสสาะร้ายกันอันนี้เป็นอกุศลกรรมฉะนั้นมาจังหวะโอกาสนี้ก็มาขอขมาเพื่อบอกโทษใดๆที่ล่วงเกินทางกายทางวาจาและทางใจข้าพเจ้าขออดโทษต่อท่านด้วยและในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าจักตั้งใจสำรวมระวังละมัดระวังจะไม่ให้ปล่อยทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาหรือทุจริตทางใจให้มันเกิดขึ้นอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะตั้งจิตเมตตามีความรักความปรารถนาดีแทนการคิดเบียดเบียนจะตั้งจิตกรุณาสงสารปรารถนาจะช่วยพ้นทุกข์แทนการที่ไปคิดประทุษร้ายกัน และจำตั้งจิตมุทิตาคอยยินดีเมื่อเห็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยกาลังเจริญรุ่งเรืองหรือว่ามีสุขภาพแข็งแรงเป็นต้นหรือจะวางใจให้เป็นอุเบกขาเมื่อไม่สามารถจะช่วยเหลือเผื่อแผ่เป็นต้นได้ทั้งหมดเหล่านี้คือกิจกรรมในการที่มาเจริญกุศลหรือมาขอขมาก็คือมาเจริญกุศลมาตั้งหลักความคิดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตให้ชัดเจน ตรงนี้ก่อนที่เราจะส่งน้ำก็เลยชีย้บอกข้อมูลให้เข้าใจตรงนี้ก่อนส่วนตอนหลังก็หลังจากส่งน้ำถวายน้ำสงเสร็จก็ว่ากันอีกทีครับกับน้ำมัสการท่านพระอาจารย์นะครับลาดับต่อจากนี้ไปจะได้กับเรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในพิธีท่านผู้ในการวามริาการได้ส่งน้า พระพุทธรูปนะครับและก็ส่งน้ําพระอาจารย์สมทบตลอดจนพระเทหลานุเทละพระภิสุสงิ์และสัมเอ็นและท่านอาจารย์โลดท่านอาจารย์วิมลขอเชิญชวนท่านผู้ในการครับและต่อด้วยท่านผู้ในการวิมครับขอเชิญชวนท่านผู้ในการวิมการยะครับและคณะผู้บริหารทุกๆท่านครับขอเเชิญลําดับแรกเลยครับคณะผู้บริหารครับท่านแขกผู้มีเกียรติครับขอเเชิญครับ ขอกลับนมัส ก, การครับผ่านพระอาจารย์มมนิมนยื่นมือที่ผ่านดอกไม้เลยครับขอเก็บนิ ม, มนพระอาจารย์พระพิสุสงสมนเนรทุกรูปนะครับยื่นมือที่บนพ่านดอกไม้ครับ